อย่าเคาตามคนขาดความรู้ว่าพุทธศาสนามองโลกแง่ร้า ย, ายหลักพุทธสอนว่าทุกเราต้องมองเห็นแต่สุขเราต้องให้มีให้เป็นพูดถึงตรงนี้ก็ขอแทรกอีกนิดเป็นข้อสังเกตว่าพอมองที่หลักอริยสัจก็เห็นว่าพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยทุกบางทีคนภายนอก หรือแม้แต่คนภายในนี่เองมองว่าพระพุทธศาสนาสอนแต่เรื่องทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์ชีวิตก็เป็นทุกข์ฝรั่งบางทีก็มองว่าพระพุทธศาสนาเป็นเพลสิมิซึมคือมองโลกในแง่ร้ายไปอ่านดูเถอะพวกอินไซคพีเดียและหนังสือตำรับตาราฝรัง่งจำนวนมากหรือส่วนมากพอพูดถึงพระพุทธศาสนาก็เริ่มด้ยวยว่าพระพุทธศาสนามองว่าชีวิตเป็นทุกข์บอกว่าไลฟ หรือ existence เป็น Suffering อะไรทุ่นองนี้ซึ่งชวนให้เกิดความเข้าใจผิดตรงนี้ชาวพุทธเองจะต้องชัดเจนก่อนจะชี้แจงเรื่องนี้ขอตั้งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าคนพวกที่ไม่ได้เรียนพระพุทธศาสนาในแง่ของตำรับตำราหรือทฤษฎีถ้าอยู่ๆเขาเข้ามาเมืองไทยอาจจะได้ภาพของพระพุทธศาสนาที่มีความประทับใจในทางตรงข้ามกับพวกที่อ่านหนังสือ พวกที่อ่านหนังสืออาจเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรต่ออะไรให้มองชีวิตเป็นทุกข์ไม่สบายเลยแต่พวกที่ไม่ได้อ่านหนังสืออยู่ๆเข้ามาเมืองไทยแต่พอรู้ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธพอเห็นคนเมืองไทยยิ้มย้มแจ่มใสอย่างที่เรียกว่าเป็นเดลันออฟสมายสยามเมืองยิ้มเลยรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นสุขเคมีฝรั่งหนุ่มสาวไปหาอาตมาที่วัด ไม่รู้จักกันไม่รู้ว่าใครแนะนําไปถามเขาว่ามาทําไมเขาบอกว่าเขาอยากรู้เรื่องพระพุทธศาสนาก่อนมาไม่ได้สนใจแต่มาแล้วตอนเช้ายืนที่หน้าต่างมองลงไปเห็นคนไทยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูคนไทยมีความสุขดีพระพุทธศาสนาสอนอะไรทําให้คนไทยมีความสุขบางรายถึงขนาดบอกว่า เขาไปเที่ยวตามบ้านนอกไปเห็นแม้แต่ ง, งานศพสนุกสนานกันจังเมืองฝรั่งไม่เป็นอย่างนี้เลยเวลามีงานศพฝรั่งหน้าตาเคร่งเครียดเหลือเกินจิตใจไม่สบายเลยแต่เมืองไทยสนุกแม้แต่ ง, งานศพก็ไม่ทุกเขาอยากรู้ว่าพุทธศาสนาสอนอะไรนี่เป็นความประทับใจอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่มาเห็นภาพเชิงปฏิบัติ ในชีวิตความเป็นอยู่ว่าชาวพุทธมีความสุขตรงกันข้ามกับเมืองฝรัง่งที่มีแต่หน้าตาเคร่งเครียดยิ้มยากมีความทุกข์มากเป็นโรคจิตมากจะโยงอย่างไรให้สุขกับทุกขรวมอยู่ในภาพของพุธธธธธธทธศาสนาอันเดียวกันถ้ารอจับหลักได้ถูกจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้คำตอบอยู่ที่หลักคิดในอริยสัจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจที่พูดไปแล้ว พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่เริ่มด้วยทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญาคือต้องรู้ทันมันเราไม่มีหน้าที่เป็นทุกข์เพราะปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เข้าใจถ้าเราจับจุดปัญหาไม่ได้เราก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่เฉพาะตัวปัญหาเท่านั้นเราจะต้องรู้เข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งที่รองรับ หรือเป็นที่ตั้งของปัญหาคือรู้เท่าทันชีวิตสังขารและรู้เท่าทันโลกอันนี้เป็นเรื่องของการรู้หน้าที่ต่อทุกมีอย่างเดียวคือปริญญาพูดง่ายๆทุกนี้สำหรับปัญญารู้จบแค่นี้ถ้าใครเอาทุกขมาเข้าตัวใครทาตัวให้เป็นทุกข์แสดงว่าปฏิบัติผิดหลัก ไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์สอนแต่ให้รู้เท่าฐานทุกข์เพื่อจะแก้ไขได้มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็นสุขตรงข้ามกับทุกข์สุขอยู่ในอริยสัจข้อไหนสุขอยู่ในข้อนิโรธคือในข้อจุดหมาย แต่เราไม่นิยมใช้คำว่าสุขเพราะสุขนี้จะเป็นสัมผัสตลอดเป็น relative เพราะตราบใดที่มีสุขก็หมายความว่ายังมีทุกข์ปนอยู่คือยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่ชัดว่าทุกข์หมดหรือยังแต่ถ้าเมื่อไรทุกข์ไม่มีเหลืออันนี้จะพูดว่าสุขหรือย่างไรก็แล้วแต่ถ้าพูดว่าสุข ก็หมายถึงสุขสมบูรณ์เลยไม่มีทุกข์เหลืออยู่พุทธศาสนายอมรับมาตรฐานตัดสินต่อเมื่อไรทุกหรือไม่มีทุกข์เหลือเลยจุดหมายของพุทธศาสนาคือไม่มีทุกข์เหลือเลยนิโรดนั้นที่แท้ไม่ได้แปลแค่ดับทุกข์ขอให้สังเกตว่านิโรธนั้นแปลว่า การไม่เกิดขึ้นแห่งทุกเพราะดับทุกขแสดงว่าเรามีทุกขจึงต้องดับมันพอเราปฏิบัติไปถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาก็ถึงภาวะไร้ทุกขไม่มีทุกเหลือไม่มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์อีกต่อไปเลยส่วนในระหว่างปฏิบัติระหว่างที่เป็นสัมผัสทุกจะน้อยลงและจะมีสุขมากขึ้น ฉะนั้นสุขจึงจัดอยู่ในฝ่ายนิโรธในฝ่ายจุดหมายกิจหรือหน้าที่ต่อ น, นิโรธคือสัจชิกิริยาแปลว่าทำให้ประจักษ์แจ้งคือทำให้ประจักษ์แก่ตัวหรือบรรลุถึงสุขจึงเป็นภาวะที่เรามีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าทุกเป็นสิ่งที่เรารู้ทันแล้วก็หาทางแก้ เราจะก้าวไปสู่จุดหมายคือมีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกน้อยลงเรื่อยจนกระทั่งหมดทุกเป็นสุขที่แท้คือนิพพานังปรมาหมายสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขระหว่างปฏิบัติเราก็ห่างทุกขและมีสุขมากขึ้นเรื่อยฉ น, นั้นในชีวิตจริงคือภาคปฏิบัติชาวพุทธจึงต้องมีสุขมากขึ้น และทุกน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติซึ่งเป็นชีวิตจริงฝรั่งจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าไปอ่านหนังสือเป็นเชิงทฤษฎีที่คนเขียนจับหลักไม่ชัดพอเริ่มด้วยทุกข์ก่อนก็มองพุทธศาสนาเป็นทุกข์ไปที่จริงนั้นทั้งหลักการและภาคปฏิบัติ ของพระพุทธศาสนาสอดคล้องเป็นอันเดียวกันพุทธศาสนิกชนต้องจับหลักเรื่องกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า 1. ทุกข์เรามีหน้าที่ปริญญารู้ทันศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นอย่างไรจับตัวมันให้ชัดเพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข สสมุทยัยตัวสาเหตุของทุกนั้นเราจึงมีหน้าที่ปหานะกำจัดแก้ไข 3. มนิโรธเรามีหน้าที่สัจฉิกิริยาบรรลุจุดหมายที่บำราชทุกเป็นสุขมากขึ้นมากขึ้นสมรรคข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนาปฏิบัติลงมือทำรรสรุปความว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกไว้สำหรับปัญญารู้แต่สอนเรื่องสุขสำหรับให้เรามีชีวิตเป็นจริงอย่างนั้นพูดอย่างสั้นว่าพุทธศาสนาสอนให้รู้ทันทุกและให้อยู่เป็นสุขหรือให้สั้นกว่านั้นอีกว่า พุทธศาสนาสอนให้เห็นทุกแต่ให้เป็นสุขคือทุกสำหรับเห็นแต่สุขสำหรับเป็นเพราะฉะนั้นจะต้องมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาแห่งความสุขไม่ใช่ศาสนาแห่งความทุกข์ฝรั่งจับจุดไม่ถูกก็เข้าใจผิดพลาดขอผ่านไปทั้งหมดนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตเป็นอารามพบ